เรื่องวิธีกรานกะถินและยะติทุติยกรรมวาจาสำหรับกรานกะถินภิกษุทั้งหลายสงพึงกรานกะถินอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสง์ฝังข้าพเจ้าผ้ากะถินนี้ เกิดแล้วแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงให้กรานกถินแก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อกรานกถินนี่เป็นยัดติดท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าผ้ากถินนี้เกิดแล้วแก่สงถ้าสงพร้อมใจกันแล้วพึงให้กรานกถินแก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อกรานกถิน ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการให้ผ้ากรถินนี้แก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อกรานกรถินท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักทวงผ้ากรถินนี้อันสงให้แล้วแก่ภิกษุชื่อนี้เพื่อกรานกรถินสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้